เฉลิสุดยอดในตอนนี้อาตมาก็อยากจะพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของวิปัสสนาให้มากเพราะเราได้ พูดกันเป็นเรื่องของสมถะมานาน <c oughs> เพราะในการที่เราจะดับทุกข์ได้เราจะต้องมาก้าวขึ้นมาในขั้นวิปัสสนาให้เกิดปัญญาให้ได้ทีนี้เมื่อเราขึ้นมาในขั้นวิปัสสนาเราก็ต้องตั้งหลัก ให้ดีต้องมีหลักให้ดีหลักที่ว่านั้นประการหนึ่งเราต้องให้มั่นใจว่าตัวทุกที่แท้จริงนั้นคือตัวความยึดมั่นคือทุกประการที่ส2บสองตัวความยึดมั่น ที่จิตดวงนี้หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราตัวนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดว่านี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขา นี่แหละที่การที่จิตดวงนี้หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวนี้เป็นตัวทุกข์ที่สำคัญต้องตั้งหลักตัวนี้ให้ดีและตัวดับทุกข์ก็คือตัวที่จิตดวงนี้ละคลายความยึดมั่นถือมั่นหรือเลิกเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในขันห้าตัวนี้คือตัวดับทุกข์ต้องตั้งหลักอย่างนี้ก็ต้องถามว่า ทำไมจิตดวงนี้จึงหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงทําให้เกิดอัตตานุทิฐิขึ้นมาคําตอบก็คือเพราะจิตดวงนี้มันเกิดวิปราชไปสี่ประการใช่ไหมเกิดวิป ร, ราชไปสี่ประการประการที่หนึ่งเห็นรูปนามขันห้าว่า สวยว่างงามประการที่สองเห็นรูปนามขันห้าว่าเทียงประการที่สามเห็นรูปนามขันห้านี้ว่าเป็นสุขประการที่สี่เห็นรูปนามขันห้านี้เป็นอัตตาตัวตนเราของเราบังคับบัญชามันได้นี่เห็นผิดไปสีประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตมันละคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันห้าเพื่อการดับทุกข์นั้นพระองค์ก็ให้เราเอาจิตนี้ ไปเฝ้าเพียนเพ่งดูรูปดูนามในขันธ์ห้าเพื่อให้จิตดวงนี้มันเข้าไปรู้ความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันธ์ห้าว่าอ๋อรูปนามขันธ์ห้านี้มันไม่สวยไม่งามนะรูปนามขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงรูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกรูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นอนัตตานี่คือตัวปัญญาถ้าจิตมันสามารถเข้าไปรู้ อย่างนี้ได้ชัดแจ้งเมื่อใดนั่นแหละจิตมันก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเรียกว่าเกิดนิพพิทาญานเกิดการเบื่อหน่ายในรูปในนามในขันห้าเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะละจากคลายความยึดมั่นลงทันทีที่จิตตรงนี้ละคลายความยึดมั่นถือมั่นลงความทุกข์มันก็ดับลงนี่ นหลักการอย่างนี้คุณโยมต้องให้แม่นอยู่ในใจนะคุณโยมนะจะจะทิ้งหลักการอันนี้ไม่ได้จะทิ้งหลักการอันนี้ไม่ไ ด, กกนนไได้ไม่งั้นเราก็มานั่งไปเปล่าเปล่ามานั่งเสียเวลาไปเปล่าเปล่าต้องแม่นในหลักการอย่างนี้ที่พระสมมาผู้เจ้าได้วางไว้ให้ก็เดี๋ยวจะสงสารเอ๊ะทำไมามาพูดกันถึงแต่เรื่องรูปนามขันห้าเท่า น, นั้นทําไมาไม่พูดถึงเรื่องอื่นในเรื่องของปัชนา ก็เพราะจิตดรงนี้มันหลงก็ไปยึดมั่นถรือมั่นในรูปในนามในขันห้าเพราะนั้นตลอดระยะเวลาท่านให้เราเฝ้าเพ่งดูรูปนามขันห้านี้เท่านั้นแต่ตามปกตินั้นการที่จะเอาจิตมาเพ่งดูรูปนามขันห้าได้ต้องเป็นจิตที่ผ่านสมาธิมาแล้วต้องเป็นจิตที่ผ่านสมาธิมาแล้วจิตที่ผ่านสมาธิมาแล้วนั่นนะมันจะ ประกอบด้วยทั้งสมาธิและสติด้วยมีสติดีมาด้วยเพราะนั้นในเรื่องของในภาควิปัสสนานั้นสมาธิกับสติมีความจำเป็นสติก็สมาธิก็คือการที่จิตของเราสงบถ้าจิตเราไม่สงบแล้วเนี่ยนะจิตมันยังว้าวุ่นอยู่มันยังกัดแขวงอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันก็เรียกว่ามันไม่ มีคอนเซนเทรตในการที่จะมาเพ่งดูรูปดูนามเพื่อให้เห็นปัญญาให้เกิดปัญญาได้ตามปกตินั้นรูปนามขันห่านั้นเขาแสดงความจริงโถ่อยู่ทั้งวันหลวงปู่มั่นใช้คําว่าเขาแสดงความจริงโถ่อยู่ทั้งวันเลยคือหนึ่งไม่สวยไม่งามสองไม่เขีดสามเป็นทุกสี่เป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลา แต่ที่จิตที่แล้วมาของเรามองไม่เห็นไม่สามารถที่จะรู้ได้รู้เห็นได้ก็เพราะว่าจิตของเรามันยังไม่เป็นสมาธิจิตของเรามันมีสติไม่พอนั่นมันจึงมองไม่เห็นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าท่านจึงให้เราทาสมาธิให้ดีมาสะก่อนเพื่อจะได้สติก็จะได้เข้มแข็งด้วยแล้วเมื่อสมาธิดีสติดีแล้วเมื่อเราหมอเพ่งดูรูปดูนามในขันธ์้า เราก็สามารถเข้าไปสามารถเกิดปัญญาเข้าไปรู้เห็นความจริงแท้ของรูปนามขันห้าได้นั้นประการหนึ่งในการที่เราจะปฏิบัติภาควิปัสสนาเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ชัดเจนเรียกว่าเราตั้งหลักของเราเมื่อเราตั้งหลักอย่างนี้แล้วนเนี่ยจุดศูนย์รวมมันก็มา พุ่งมารวมอยู่ที่รูปนามขันห้าเท่านั้นมาพุ่งอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติภาควิปัสสนานั้นท่านก็ได้วางตัวปัญญาที่จะยังรู้ไว้แล้วที่เรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณท่านได้วางตัวปัญญาที่จะยังรู้ไว้แล้วถึง16ประการด้วยกัน วิปัสนาญาปัญญาอย่างรู้ในภาควิปัสนานั้น16ประการด้วยกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเรานั้นก็ต้องมุ่งที่จะให้เกิดญาณเหล่านี้ให้เกิดญาณญาณนะโยมอย่าไปสับสนกับคำว่าฌานนะทางด้านสมาธิเรียกฌานนะตูชอกระเจอแต่ทางด้านวิปัสนานั้นเรียกญาณ เรียกญาณ น, นะอเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของวิปัสสนาญาณที่ท่านวางไว้สิบประการนั่นแหละจะต้องให้เกิดปัญญาอย่างนั้นจะต้องให้เกิดปัญญาอย่างนั้นในภาคปฏิบัติวิปัสสนาของเราจะต้องให้เกิดปัญญาตามวิปัสสนาญาณ น, นั้นเพราะฉนั้นเราจะต้องเอาวิปัสสนาญาณมาพิจารณาประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอื응 ยังเป็นต้นว่าอย่างวิปัสนาญาณที่หนึ่งท่านใช้คําว่านามรูปะปริเฉทญาณแปลว่าปัญญาอย่างรู้อย่างรู้อย่างเห็นนะโยมอย่างรู้อย่างเห็นตามปกตินั้นนะ่ะในภาควิปัสนานั้นนะ่ะท่านใช้คําว่าญาณทัศนะ ญาณทัศนะคือญาณคือรู้อย่างรู้ทัศนะคือการอย่างเห็นคือต้องทั้งรู้ทั้งเห็นรู้อย่างเดียวไม่เห็นไม่ได้เห็นอย่างเดียวไม่รู้ไม่ได้ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นท่านใช้คำว่าให้เกิดญาณทัศนาเลยต้องอย่างรู้อย่างเห็นมันอันที่หนึ่งนี่ก็คืออย่างรู้อย่างเห็นสามารถแยกรูปแยกนามได้ต้องแยกกันให้เด็ดขาดก่อน ขณะนี้นะ่จริงๆนั่นนะ่ะรูปนามเนี่ยมันซ้อนกันอยู่รูปนามมันซ้อนกันอยู่ทั้งรูปทั้งนามจริงๆนั่นนะ่ะทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่นามนั้นเกิดดับเป็นส7เจ็ดเท่าของรูป แสดงว่านามนั้นละเอียดละเอียดกว่ารูปหมายความว่ารูปเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยนามเกิดขึ้นสิบเจ็ดครั้งแต่ว่าเริ่มพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนี่รูปนามเพราะนั้นก่อนอื่นต้องแยกรูปแยกนามให้เห็นเด่นชัดว่าอะไรคือรูปอะไรคือนาม นามคือมันเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดกระดับเนี่ยเร็วเร็วกว่ารูปยกตัวอย่างได้ยินใช่ไหมรูปเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมรูปเกิดแล้วก็ดับในขณะนี้เนี่ยรูปเกิดดับครั้งเดียวแต่นามเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดับสิบเจ็ดครั้งหมายความว่านามเนี่ยมันละเอียดกว่ารูป มันละเอียดกว่ารูปร <Yeah. S 2> ูปหยาบกว่าน้ำแต่ว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันพอดีเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ว่านามนั่นแหะเกิดด <music> <laughs> claro. ับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาพร้อมกันที่รูปดับพอดีมารูปแต่ว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่ครั้งเดียวใช่ไหมรูปเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วก็ดับตั้งอยู่แล้วก็ดับแต่น้ำเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับมาดับสุดท้ายดับพร้อมกับรูปพอดี หมายความารูปอนามเนี่ยมันละเอียดกว่ารูปเกิดดับเร็วกว่ารูป17เจเท่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชใช่ใ่ใใช่ใช่่่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใช่ นนนนาา ม, มี่ยยัจะออููภใขงรปแน่นอนนั่นแหละนามนั้นอยู่ภายในของรูปเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแล้วก็เกิดดับเกิดดับสิบ็ครั้งเท่ากับรูปมาดับหนึ่งครั้งนี่เท่ากันพอดีสิบ็ครั้งนี่อยู่ในรูปสิบเจ็ครั้งนั่นความหมายนั่นความหมายนามคือมันเกิดดับเร็วกว่ารวดเร็วเกิดดับ ค, คือนี่เราขึ้นนี่เกิดดับครั้งเดียวนี่เกิดดับครั้งเดียวให้เห็นรูปมันเกิดดับอันนี้อัตมาแสดงเพียงแค่ให้มันเห็นว่าอะไรคือรูปอะไรมันแยกกันซะให้มันแยกกันไม่ได้คาใช่หนึ่งไซเคิลของรูปเท่ากับสิบเจ็ดไซเคิลของนามนั่นเพราะตอนนี้เราก็มาแยกซะให้ดีเพราะว่าตามปกติเนี่ยนะ ตามปกตินั่นนะ่ะในการปฏิบัติภาวนาในการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมถะหรือวิปัสสนาจะต้องจะต้องมีองค์ภาวนาจะต้องมีองค์ภาวนาหรือบางครั้งก็เรียกว่าอารมณ์กรรมฐาน สำหรับองค์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาจะต้องมีองค์ภาวนาองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเข้าไปยึดหน่วงไว้ชั่วคราวองค์ภาวนาของสมถะหรืออารมณ์กรรมฐานของสมถะมันจะเป็นสมมุติหรือบัญญัติส่วนองค์ภาวนาของ วิปัสนาจะต้องเป็นปรมัติี่ผิดกันตรงนี้องค์ภาวนาของสมถะหรืออารมณ์กรรมฐานของสมถะนั้นพระสมมาผู้เจ้าให้ไว้สี่สิบอย่างจำได้ไหมเรียวกว่าอารมณ์กรรมฐานสี่สิบอย่างที่ประกอบด้วยอนุสติสิบอสุภะสิบเกสินสิบพวก พระมิหารสี่พวกนั้นใช่ั้มนั่นนั่นเป็นองค์ภาวนาเป็นสมถะองค์ภาวนาของสมถะซึ่งเป็นสมุติหรือบัญญัติแต่องค์ภาวนาของวิปัสสนามีสองแค่สองอย่างเท่านั้นคือรูปกับนามคือรูปกับนามรูปธรรมกับนามธรรมารูปธรรมกับนามธรรมวันเราต้องพยายามทำความเข้าใจนี้ให้ดี รูปประทำกับนมามธรรมรูปคืออะไรรูปก็คือพระเจ้าให้คำจังหวัดความของรูปไว้ว่ารูปนั้นน่ะไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่สภาพรู้รู้สึกอะไรไม่ได้เลยรูปนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มีแต่แตกสลายอย่างเดียวนี่เป็นความหมายคำว่ารู้ไม่ใช่สภาพรู้รู้สึกอะไรไม่ได้เลยส่วนนามเป็นสภาพรู้เป็นาธาตรู้รู้สึกได้รู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินรู้สึกว่าได้กลิ่นรู้สึกว่าได้รสได้สัมผัส รู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายรู้สึกว่าจําได้หรือจําไม่ได้รู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายนี่เป็นนามเพราะนั้นตรงกันข้ามกันอย่างนี้รูปประการที่หนึ่งก็คืออาการสามสิบสองของร่างกายนี้ทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมด อาการ32ของร่างกายนี้เป็นรูปทั้งหมดธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟเป็นรูปทั้งหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นรูปทั้งหมดนั่นก็คือสีเสียงกลิ่นรสโพธพภพ เป็นรูปทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดนี่เพราะฉะตัต้องเข้าใจต้องตองความเข้าใจอันนี้นามก็คือธาตุรู้สภาพรู้ที่รู้สึกทั้งหมดแล้วก็เป็นนามทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นเราต้องแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนาม ให้ได้ต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ทีนี้รูปนามอันนี้จริงๆก็คือรูปนามขันห้านั่นเองใช่ัหมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาแล้วก็คลือหรือเป็นปรมาทิต์คือรูปกับนามขันห้านี้ยังเป็นบัญญัตินะขันหนี้เป็นบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติ แต่พอเหลือรูปนามเป็นปรามาัดรูปนามเป็นปรามาัดรูปนามเป็นปรามาัดฮ ข, นนขันห้าเป็นบัญญัติพระเจา้าบัญญัตยิย่อลงมาเป็นปรามาัด คือมันไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรเป็นรูป ก, กับนามเ่ยๆเป็นกลางๆไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ถ้ายังเป็นขันห้าอยูออ่สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติมีอยู่หกอย่างหนึ่งขันธ์บัญญัติคือการบัญญัติในเรื่องของขันห้านี่สองอายตนะบัญญัติก็คือการบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายใจ รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพธรรมารมณ์นี่นี่เป็นบัญญัติสาธาตุบัญญัติทาตุบัญญัติก็คือการบัญญัติธาตุทั้งสี่นี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่พระเจ้าบัญญัติพระเจ้าบัญญัติ4อินทรีย์บัญญัติอินทรีย์คือความเป็นใหญ่จะเป็นอินทรีย์หก็ตามอินทรีย์22ก็ตามพระเจ้าบัญญัตินี่พระเจ้าบัญญัติและห้าปุคราบัญญัติ ปุขระบัญญ e ัติคือการบัญญัติบุคคลการบัญญัติบุคคลมีกี่อย่างแล้วที่จริงมันมีหอย่างมีขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติธาตุบัญญัติอินทรีย์บัญญัติฮะอินทรีย์บัญญัติแล้วก็ปุขระบัญญัติอ๋ออริยสัจสี่บัญญัติอริยสัจบัญญัติแล้วก็หก็คือ ปุกระบัญญัติคือการบัญญัติบุคคลนี่สิ่ง6อย่างนี้ผู้เจ้าบัญญัติขึ้นมาแต่พยอย่อลงมาแล้วเหลือรูปนามเหลือรูปนามเป็นปรมัดจริงจริงปรมัดเนะียมีเดิมทีเดียวมีสี่ปรมัตดธรรมที่เรียกกับปรมัตดธรรมถ้าหาว่าใครได้เรียนพระพิธรรมปรามัตดธรรมมีสี่หนรูป2อจิตส เจตสิกสี่นิพพานสอย่างนี้เป็นปรมารทิทีนี้จิตกับเจตส MM ิกรวมกันก็เป็นนามรูป ก, ก็เป็นรูปจิตเจตสิกรวมก็เป็นนามนี่ก็เป็นปรมาติ์ทางฝ่ายทางฝั่งสังขารธรรมทางฝ่ายวิสังาขารธรรมก็คือมีพระ น, นิพพานเป็นปรมาติ์ปรมาิ์คือของที่มันจริงแท้เมื่อใดเมื่อใดมันก็ เป็นอยู่อย่างนั้นเมือม่อใดเมื่อใดก็มีรูปกับนามส่วนไอ้พวกบัญญัติก็ดีสมมุติก็ดีนานไปอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างพระสมัาพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่เหมือนกันตรัสรู้อริยสัจสเหมือนกันพระเจ้าองค์ก่อนก็ตรัสรู้อริยสัจสแต่ว่าชื่อเรียกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายอันเดียวกัน เพราะไอ้สมมติบัญญัติมันเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าปรามัตดแล้วคือรูปกับนามยังไงยังไงมันก็เป็นรูปกับนามต้องมาเข้าอยู่ในเรื่องของรูปของเรื่องของนามแต่ว่าไอ้ชื่อเรียกมันเป็นสมมติมันเป็นบัญญัติใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ปรามัตดแล้วมันไม่เปลี่ยนปรมัตดแล้วมันไม่เปลี่ยนอืเพราะนั้นไอ้เมื่อเพราะนั้นไอ้จากรูป กับไอขันห้านั่นน่ะเมื่อย่อลงมาแล้วเหลือรูปกับนามเป็นปรมัตาร์เพราะนั้นองค์ภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาคือมีสองอย่างรูปกับนามรูปกับนามแล้วอย่าไปให้ความหมายมันว่ามันเป็นอะไรถ้าไปให้ความหมายมันแล้วมันเป็นสมมุติทันทีใช่ไหมถ้าไปให้ความหมายมันแล้วมันเป็นสมมติทันที คนเราไปติดสมมุติใช่ไหมพอบอกก็ลมหายใจแล้วแล้วก็โอ้ลมหายใจของกูเน่ยมันไปติดอย่างนั้นแล้วไอ้ลมหายใจนี่มันก็เป็นสมมุติใช่ไหมเป็นสมมติแต่ถ้ารูปพูดว่ารูปมันเป็นกลางกลางมันเป็นกลางกลางความหมายของคาว่ารูปคือไม่ใช่ธาตุรูปความหมายของคาว่านา้ำ คือธาตรู้เพราะฉะนั้นในภาควิปัสสนาภาวนาผู้เจ้าให้เราเพ่งดูรูปดูนามแล้วก็พยายามเอารูปนามที่มาจากขันธ์ห้าเอารูปนามที่มาจากขันธ์ห้าเพราะว่าขณะนี้เราไปยึดติดในรูปในนามในขันธ์ห้าก็ต้องเอารูปนามในขันธ์ห้ามาพิจารณา แล้วรูปนามในขันธ์อะไรละ่ะที่มันปรากฏเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันแสดงอยู่ตลอดเวลาที่ง่ายที่สุดก็คือลมหายใจลมหายใจนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสนาหลวงพ่อบอกว่าเราพยายามบริกรรมพุโทโธ พุทพร้อมให้ใจเข้าโทรพร้อมให้ใจออกนี่คือสมมติใช่ไหมนี่คือบัญญัติใช่ไหมลมหายใจเป็นสมมติเป็นบัญญัติเพราะนั้นในภาคสมถะเราเอาสมมติเอาบัญญัติมาเป็นอารมณ์ให้จิตหน่วงไว้ในสมถะให้จิตหน่วงไว้กับอารมณ์กรรมฐานหรืออารมณ์องค์ภาวนา แต่ตอนหลังเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะพิจารยยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาภาวนาโดยเอารูปเอานามเป็นอารมณ์ท่านก็แนะนำให้เอารูปเอานามของขันห้าที่เกิดจากลมหายใจลมหายใจนี้เป็นธาตุเป็นธาตุใช่ไหมหนึ่งในธาตุสี่ใช่ไหมธาตุลมปัทปะ กับกายใช่ไหมประทกับกายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขันห้าเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ไหมขันห้าเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นจากลมหายใจประทะเข้ามานี่เพราะฉะนั้นขันห้าเกิดที่เกิดจากลมหายใจเข้าออกนี่เนะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรูปนาม ของลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นขันห้าตลอดเวลาใช่ไหมเป็นขันห้าตลอดเวลารูปนามที่เกิดจากขันห้าของขันห้าที่เกิดจากลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นขันห้าที่เกิดจากลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นรูปนามขันห้านี้ก็แสดงความเป็นอนิจจง ทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาอย่างไรจึงจะสามารถเข้าไปเห็นความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาของรูปนามขันห้าที่เกิดจากลมหายใจนี่วันนี้จะพูดอันนี้ให้โยมเข้าใจให้ละเอียดให้ชัดเจนไม่งั้นแล้วเราโยมปฏิบัติภาควิปัสสนาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องทีนี้วันก่อนนี้อาตมาได้เอาขอขอรู้วันก่อนอ้าอ้าวอ้าวอ้ายังมีต่อยังมีต่อยังมีต่อเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ก่อนนี่พูดถึงองค์ภาวนาทีนี้ย้อนกลับไปพูดวันก่อนนี้ยังวิปัสสนาญาณวันก่อนญาณที่หนึ่งก็คือนามรูปะปริเฉทญาณคือปัญญาอย่างรู้การแยกรูปแยกนามอันนี้ยังมีใครสงสัย ยังไม่รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามโยมลองทดลองหายใจเข้าออกแล้วก็เอาจิตไปจ้องเอาจิตไปจ้องจับอยู่ก็ดีอไปนี่เป็นภาคปฏิบัติละโยมเป็นภาคปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณที่หนึ่งคือนามรูปป ร, ปริเฉทญาณคือการอย่างรู้รูปนามเนี่ย ก็คือเอาสติเอาสติและจิตเฝ้าจ้องจับอยู่กับรูปและนามของลมหายใจอะไรคือรูปลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นรูปเพราะเป็นธาตุใช่ไหมลมเป็นธาตุลมใช่ไหมเพราะนั้นตัวลมหายใจเข้าตัวลมหายใจออกนั่นแหละเป็นรูปความรู้สึกว่านี้คือลมหายใจเข้า ความรู้สึกว่านี้คือลมหายใจออกเป็นนามความรู้สึกนะโยมความรู้สึกว่าลมให้นี้เป็นลมหายใจเข้าโยมแยกได้เลยใช่ไหมโยมแยกได้เลยตัวลมหายใจเข้าเป็นรูปลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวลมหายใจนี้เป็นรูปความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนาม นามในที่นี้หมายถึงนามทั้งสี่เลยนะในขณะเดียวกันที่ลมหายใจเข้าออกโยมรู้สึกสบายไม่สบายเออโยมจําได้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมเออเป็นลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกสบายหรือไม่สบายนั่นเป็นเวทนาใช่ไหมเป็นมีความรู้ความรู้สึกนั่นคือเป็นวิญญาณแล้วใจใจรู้ว่าลมหายใจเขา้าลมหายใจออกนั่นเป็นวิญ ญ, ญาณแล้วเป็นรูปอ รู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นเวทนาจำได้จำไม่ได้เป็นสัญญาดีใจไม่ดีใจหรือเฉยเฉยเป็นสังขารนั่นหมายว่านามทั้งสี่เกิดขึ้นพร้อมพร้อมนักขณะเดียวกันทีนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นรูปถามว่ารูปเดียวกันหรือเปล่าคนละรูปลมหายใจเข้าก็เป็นรูปหนึ่งลมหายใจออกอีกรูปหนึ่งความรู้สึกลมหายใจเข้าเป็นนามหนึ่ง ความรู้สึกลมหายใจออกเป็นอีกนามหนึ่งนี่แหละโยมหัดสังเกตลมหายใจเราอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วยมจะแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้ให้เด็ดขาดนี่แหละเราจะเอาลมหายใจนี่แหละเป็นองค์ภาวนาไปตลอดเพราะว่าพระเจ้าเองท่านก็นใช้ลมหายใจพระเจ้าเองท่านก็นใช้ลมหายใจอันนี้อเพราะลมหายใจนี่มันมีอยู่ทันที พิจนาเมื่อไรได้ทันทีเลยไม่ต้องไปเตรียมอะไรทั้งนั้นแล้วอีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นกลางมันไม่ดีมันไม่ชั่วเพราะฉะนั้นจิตเรามันก็จะไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายถ้ามันไปยินดียินร้ายมาเมื่อไรเอาไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกิเลสเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเพราะนั้นลมหายใจนี่มันเป็นกลางเป็นกลางแต่ก็ต้องพยายามให้เข้าใจว่านี้เป็นรูป เพียงรูปเท่านั้นเพียงนามเท่านั้นอย่าไปให้ความหมายวันนี้เป็นลมหายใจพอไปให้ความหมายเป็นลมหายใจพับเป็นสมุดไปติดในสมุดอีกแล้วอ๋อนี่ลมหายใจของกูอีกแล้วนั่นมันจะต้องไม่ให้ความหมายมันเอาเป็นเพียงว่ามันเป็นรูปเท่านั้นเองเพียงแต่มันเป็นรูปเท่านั้นเองนี่ประการที่หนึ่งสำหรับในเรื่องของนามรูปะปริเฉทยา มีใครสงสัยไหมแยกรูปแยกนามนะโยมลงไปนั่งพยานาพี่นาดูนี่แหละคือมันมันจะได้เกิดปัญญาโยมมันจะได้เกิดปัญญาไม่งั้นเราไม่ไมีเกิดปัญญาไม่งั้นเาไปปฏิบัติ